ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังคะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมแปลเรื่องที่ยี่ิบห้าอุปโสถะปะวารนาวินิชยากาถาคาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องอุโบสถและปะวารณาต่อ พิสูตมีอาบัติติดตัวไม่พึงลงอุโบสถเพราะมีพระบาลีว่าถ้าพิกูุรูปใดมีอาบัตเธอพึงทำคืนเสียดังนี้เป็นต้นเพระนาะฉะนั้นพิสูุผู้ระลึกอาบัตได้ในวันอุโบสถนั้นพึงแสดงอาบัติอันนึรพิสูตผู้จะแสดงอาบัตพึงเข้าไปหาพิสูตรูปหนึ่งผมผ้าอุตราสงเฉวียงบานั่งประโยงประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า อะหังอาวุโซอิทัณนามังอาปัติงอาปโนตังปัติเดเสมิคำว่าอิทัณนามังนี่ก็แล้วแต่ว่าว่าต้องอบัตอะไรถ้าเป็นอาบัตปาจิตตีก็กล่าวว่าปาจิตยังอาปัติงอาปโนถ้าเป็นอาบัตทุกฏก็ทุกตังอาปัติงอาปันโนถ้าเป็นปาติเดสนิยะก็ปาติเดสนิยังอาปัติงอาปโนตังปัติเดเสมิ ก็แปลว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนี้คือบัตปจิตตีหรือว่าปาติเดสุลิยะหรือวาบัตทุกโกรข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัตนั้นถ้าพิตรู้ผู้อ่อนกว่าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะหังพันเตอิทท่านนามังอาปติงอาปัโนโดดตังปาติเดเซมิแปลว่าท่านผุ้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนี้ข้าพเจ้าแสดงคือนอาบัตนั้น ถ้าเป็นหลายตัวก็สำเวลานานาวัตถุกายโยก็หมายถึงว่าต่างวัตถุกันแต่ว่าแสดงตัวเดียวหรือว่าแสดงอปัตตวัตถุเดียวก็แสดงอย่างนี้ห่างพันเตยท่านนามังอปติงอปโนตังปฏิเดเสมิแปลว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอปัตชื่อ น, นี้ข้าพเจ้าแสดงคืนอปัตนั้นส่วนคําว่าตังปฏิเดเสมินี้แม้เมื่อกล่าวว่าตังตุยหะมูเลหรือว่าตัง ตุมหมูลปีปัิเดเสมิแปลว่าข้าพเจ้าจแสดงคืนอาบัตินั้นในสำนักของท่านดังนี้ที่สมควรแก่ตนแก่ตนการกล่าวอย่างนี้ย่อมเป็นอันกล่าวชอบแล้วเหมือนกันคือจะกล่าวว่าแสดงในสำนักของท่านก็ได้ว่าแสดงอาบัตินั้นต่อท่านเท่านั้นก็ได้ถึงผู้รับอาบัติก็ควรกล่าวคำด้วยสามารถที่สมควรแก่ตนแก่ตนว่าปัสสะพันเตตังอาปะติง หรือว่าปัสสติอาวุโสตันอาปัตติงแปลว่าท่านเห็นอาบัตินั่นหรือติสตูผู้แสดงพึงกล่าวอีกว่าอามะอาวุโสปัสสามิหรือว่าอามะพันเตปัสสามิแปลว่าผมเห็นครับใช่ครับข้าพเจ้าเห็นทิสตูผู้รับอาบัตพึงกล่าวอีกว่าอายติงพันเตสังวรยาทะหรือว่าอายติงอาวุโสสังวรยาทะแปลว่า ท่านพึงสำรวมระวังต่อไปเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วพิกตุผู้แสดงคือผู้ที่ต้องอบัติผู้ที่แสดงคุณกล่าวว่าสาธุสุตถุอาวุโสสังวริสามิสาธุสุตถุพันเตสังวริสามิแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ที่แก่กว่ากล่าวว่าสาธุสุตถุอวุโสสังวริสามิถ้าเป็นผู้ที่อ่อนกว่าก็สาธุสุตถุพันเตสังวริสามิแปลว่าครับข้าพเจ้าจะสำรวมระวังให้ดีต่อไป อันนี้ก็เป็นวิธีการแสดงอาบัตแต่ถ้าเกิดที่สุนั้นมีความสงสัยในอาบัตเวลาสงสัยนี้ก็จะเกิดความคลางแคลงใจจะบอกว่าเป็นอาบัตมันก็ไม่แน่ใจจะบอกไม่ใช่อาบัตมันก็เหมือนจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยอย่างนี้ก็เป็นเครื่องกั้นของการเจริญไตรสิกขาคือเจริญสัมผัวิปัสสนาก็ควรจะต้องชําระความสงสัยคือมันยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตเป็น แ, แสดงอาบัตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความสงสัยก็แล้วกัน มันจะได้คลายจากความสงสัยแล้วก็ไม่กังวลไม่เป็นเครื่องกันงก้นต่อการที่เจริญภาวนาก็พึงเข้าไปหาที่จุดรูปหนึ่งทำผ้าอุตราสงชว่วยงบานั่งกระโยคประคองอัญชรีกล่าวอย่างนี้ว่าอหังอาวุโซอิทธ่านนามายะอาปัตยาเวมติโกยะดานิบเบมติโกพวิสตามิตาดาตังอาปติงปติกริตามิแปลว่า อวุโสข้าพเจ้ามีความสงสัยในอาบัติชื่อนี้เมือ่อใดจักหมดความสงสัยจักทำคืนอาบัติเมื่อนั้นดังนี้แล้วจึงลงอุโบสถเพราะฉะนั้นจะกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้นะว่ากระผมมีความสงสัยเนื่องโดวยวัตถุนั้นวัตถุนั้นแต่ผมชบหน้าความสงสัยได้แล้วรู้ว่าเป็นอาบัติผมก็จะแสดงคืนอันนี้ก็ทำให้ไม่ไปลังเลไม่ไปเป็นเครื่องกั้าในการที่จะเจริญโทนาหรือว่าไม่ทำให้ต้องอาบัติเมือเ่อไปลงอุโบสถ เพราะว่าถ้ามีอาบัติติดตัวไปลงอุโบสถเรามีอาบัตทุกกฎเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็เมื่อแสดงอาบัติแล้วหรือว่าแสดงความสงสัยแล้วจึงลงอุโบสถ ฟ, ฟังพระปาติโมกก็พิสูุนนั้นไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถเพราะข้อที่มีอาบัติติดตัวนั้นเป็นปัจจัยก็คือถ้าเกิดระลึกได้ว่ามีอาบัตในขณะที่ฟังพระปาติโมกนั้นก็อย่าไปทําอันตรายแก่อุโบสถ ก็คือไม่ต้องโอ้ผมมีอับดับครับเดี๋ยวผมขอแสดงอับัตบก่อนก็มไม่ต้องพูดอย่างนั้นแต่ว่าให้สกิทเพื่อนข้างๆวาเดี๋ยวฟังปานิมวงจบแล้วผมจะไปแสดงอาบาับดับชื่อนี้ชื่อนี้กระซิบกระซิบกันก็ได้หรือว่าส่งสัญญาณว่าผมมีอาบาับดับเดี๋ยวผมจะไปแสดงอันนี้ก็เป็นการใช้ได้ที่สูแม้ทั้งสองรูปต้องอับดับตัวใดมีวิการละโพชนะศิขาบทเป็นต้นอาบัติที่มีวัตถุเป็นสภาวะกันเห็นปานนั้นที่สูไม่ควรแสดงและไม่ควรรับอาบาับดับ คือมีอาบัตที่เหมือนกันไปฉันอาหารในเวลาวิการเหมือนกันหรือว่าไปรับเงินทองเหมือนกันไปทาอาบัตที่มันเหมือนกันอย่างนี้ก็าเรียกว่าสภาคาบัตเป็นอาบัตที่เหมือนกันแสดงไดรับอาบัตต่อกันไม่ได้เพราะมีพระบาลีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจไม่พึงแสดงสภาคาบัตรรูปใดแสดงรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎการแสดงสภาคาบัตดนี้มีอาบัตเพิ่มตัวหนึ่งทุกกฎ คนแสดงต้องบัตรทุกฎเพราะแสดงสภาคาบัดและพิสูุไม่พึงรับสภาคาบัตรูรปใดรับรูปนั้นต้องบัติทุกกฎดังนี้เพราะว่าไปรับแสดงสภาคาบัดคนแสดงก็ต้องอบัตรทุกกฎตัวหนึง่งคนรับแสดงก็ต้องอบัตรทุกกฎตัวหนึง่งก็พิสูจจะแสดงอาบัตที่เป็นสภาคะที่ต้องอาบัติเพราะวิกาณนโภชนะเป็นปัจจัยในตำนักของพิสู ผู้ต้องอาณาจิริตาโพชนะเป็นปัจจัยครอบครก็คือไปฉันอาหารห้ามพัดแลบไปฉันอาหารที่ไม่ได้เป็นเดนคือไม่ได้ทําวิเลยกรรมหรือว่าไม่ได้เป็นเดนที่ถูกไข้ก็ต้องอบับปางไปจิตตีแต่ว่าไปชันอาหารในเวลาวิเลกรรก็ต้องอบับปางไปจิตตีแต่คนละวัตถุ ก, กันถึงอบับปางไปจิตตีเหมือนกันแต่ว่าคนละวัตถุ ก, กันอย่างนี้ก็แสดงได้ไม่เรียกว่าเป็นสภากาบ ก็ถ้าสงทั้งปวงต้องมันละหูกาบัตเคื่อบัดเบาด้วยสภาภาบัตดวัตถุคือวัตถุที่เหมือนกันต้องอบัติที่มีวัตถุเหมือนกันมีวิการและโลชนะเป็นต้นในเรื่องนั้นจะพึงทําอย่างไรเพราะว่าแสดงกันไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามแสดงแต่ว่าสงทั้งหมดโดยต้องอบัดหมดทุกรูปเลยในวัดนั้นยี่สิบรูปยี่สิบรูปก็ต้องเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเอาอาหารมาเลี้ยงแล้วมันเลยเที่ยงไปแต่ว่าไม่รู้ว่าเลยเที่ยง เพว่ามันถวายก็ประมาณทักสิบโมงสี่สิบแล้วทุกคนก็ไม่ได้ดูกันในกาในการตรวจไม่มีตอนนั้นแล้วก็ผลกําลังคลิ้มก็เลยฉันไปเรื่อยๆก็เลยเที่ยงหมดเลยแตอนหลังก็จะมาลงโบวททุกคนก็รู้ตัวขึ้นมาอ้าวนี่มันเลยเที่ยงมานานแล้วนี่ฉันอาหารหนึ่งราการนี้นก็ต้องสภาขาดบัตรเหมือนกันหมดแสดงอาบัตรข้อนี้ไม่ได้ถามว่าจะทํายังไงดีเพราะแสดงอาบัตรต่อกันไม่ได้ ติกตูร า, านั้นพึงส่งพิกตุรูปหนึ่งไปตูอาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทําในวันนั้นด้วยสั่งว่าอาวุโสเธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นมาพวกเราจะทําคืนอาบัตในสํานักของเธอถ้าได้พิกตุอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พิกตุผู้ชราดผู้สามารถพึงสวดประกาศให้สงทราบว่าสุนตโตเมผินเตสังโ์ อายังสัมโบสังโฆสภาคังอาปติงอาปโนยดาัญญะภิกขุงสุดทั้งอนาปติกังปสิสติตะดาตาสะสันติเกตังอาปติงปติกริสติแปลว่าท่านผู้เจริญขอสองฆ์จงฟังท้าพเจ้าสงทั้งหมดนี้ต้องสภาธาบัติเห็นพิกษุรูปอื่นผู้บนจุดไม่มีอบาบัติเมื่อใด จะทําคืนอาบัตในสํานักของเธอเมื่อนั้นดังนี้แล้วพึงลงอุโบสถในอย่างนี้ก็เป็นการประกาศให้สงทราบกันแล้วว่าพวกเราเนี่ยมีอาบัตกันแต่ว่าเราไม่ได้ฝ่าฝืนหรอกไม่ได้ฝ่าฝืนต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามต่อห้ามไวแล้วว่าถ้ามีอาบัตห้ามลงอุโบสถเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะแสดงแต่ว่าพุทธเจ้าก็บัญญักเพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้ามีอาบัตเหมือนกันแสดงต่อกันไม่ได้ ของเราต้องอาบัตเหมือนกันทุกรูปเลยในหมู่สงฆ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงอาบัตต่อกันไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องประกาศให้รู้ว่าถ้าพระพิตรูปใดที่ไม่มีอาบัตที่เหมือนกันมาเราก็จะแสดงก็เป็นการตรดเรื่องความคลางแคลนใจแล้วก็ทําตามพระวินยัยบัญญัติ ด, ด้วยก็ทําให้สบายใจแล้วก็ลงอุโสดได้จะเจอพระภิตุเมื่อไหร่ที่ไม่มีสภากาบติมาเมื่อไหร่ก็ไปแสดงอาบัติตอนนั้นนะ แล้วก็ให้ทํามุโบสวดก่อนแต่ถ้าสงสัยคือพระสงฆ์ทั้งหมดจยมีความสงสัยก็ไม่รู้ว่าฉันอาหารมันเลยเที่ยงหรือไม่เลยเที่ยงก็ไม่รู้สงสัยกันก็เคลือบแคลงตัดสินใจไม่ได้ก็พึงสวดอย่างนี้ว่าสุมาตมเมพันเตสังโฆ อ, อยังสปุสังโฆสภากายะอปิยาเวมติโกยดานิเบมติโกภวิตกติ ตาดาตังอาปติงปติกริสติแปลว่าท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์ทั้งหมดนี้มีความสงสัยในสภาคาบัดหมดความสงสัยเมื่อใดจกทาคืนอาบัตินั้นก็คือถ้าหมดความสงสัยหมายถึงว่าถ้าเป็นอาบัติก็จะแสดงคืนถ้าไม่เป็นอาบัติก็เป็นอันไม่ต้องแสดงอะไรดังนี้แล้วก็ให้พึงทำอุโบสถ ข้อท่าไหนที่นั้นมีพิสูจน์บางรูปสำคัญว่าคือสาคัญผิดแล้วนะว่าการแสดงสภพานาบานัต้นย่อมควรคือเข้าใจว่าแสดงได้นี่จะไรจึงแสดงในสำนักของพิสษุรูปหนึ่งอาบัติที่เธอแสดงแล้วก็เป็นอันแสดงดีแล้วแต่เธอทั้งสองรูปย่อมต้องอาบัติทุกกฏอื่นคือผู้แสดงต้องเพราะการแสดงเป็นปัจจัยส่วนผู้รับก็ต้องเพราะรับ การแสดงอาบัตเป็นปัจจัยอาบัตทุกกทที่ต้องเพาะแสดงและรับเป็นปัจจัยนั้นเป็นอาบัติที่มีวัตถุต่างกันเพราะฉะนั้นสมควรแสดงกะ ก, กันและกันได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้พิสูจนเหล่านั้นจึงเป็นผู้ไม่มีอาบัตพิสูจน์ที่เหลือพึงแสดงพึงบอกสภาคาบัตในสำนักของพิสูจนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีออกจริงๆหล้วนะเพราะว่า ท่านบอกไว้ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจผิดก็คือเข้าใจว่าถ้าแสดงสภาขาบัตินั้นอ่ะไม่เป็นไรย่อมควรเป็นผู้ที่สําคัญอย่างนี้จริงๆไม่ได้แกล้งเพรว่าถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้วว่าแสดงสภาขบัติไม่ได้แล้วยังขืนไปแสดงเนี่ยรู้ว่าไม่ควรแล้วยังคืนไปทําเนี่ยต้องอาบัตอีกต้องอาบัตเพราะว่าคืนไปทําข้อหนึ่งแล้วก็เป็นอาลีเลยคือรู้ว่าเป็นอาบัติแล้วยัง ขืนไปกระทําร่วงแกล้งร่วงอาบัตินี่เป็นอาราชัชีเป็นผู้ที่ไม่มีความละอายอันนี้ก็มีโทษมีโทษมากขึ้นเป็นอุตส่าหจิตแล้วก็เป็นการลบหลู่เป็นการที่ไม่ยําเกรงต่อพระพุทธบัญญัติก็เท่ากับไม่ยําเกรงต่อพระพุทธเจ้าเป็นอารัชีด้วยแล้วก็รู้ว่าไม่ควรแล้วยังฝืนธรรมก็สมบัติออาา ท, ทุกกฎอีกตัวหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นผู้ที่สําคัญผิดไปแสดง สภาคาบัด ต, ต่อกันผู้ที่แสดงต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวผู้ที่รับแสดงต้องอบัตทุกกฎหนึ่งตัวแต่ว่าทุกกฎที่ทั้งสองรูปนี้เกิดขึ้นเนี่ยวัตถุมันต่างกันแล้วเพราะว่าผู้แสดงต้องทุกกฎเพราะแสดงผู้ที่รับแสดงก็ต้องทุกกฎเพราะรับสภาคาบัดก็เลยแสดงต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งผมต้องอบัตเพราะแสดงสภากาบัดครับท่านก็บอกว่าท่านเห็นซื้อผมเห็นอยู่ขอให้ท่านจงสมมตมระวังต่อไป ดี <asthma> ละผมจะรอวังสำรวจต่อไปอีกรูปนึงก็แสดงคืนว่าผมขอแสดงอบัตทุกกฎหนึ่งด้วยรับแสดงสภาขบัตครับนอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าท่านเห็นหรือผมเห็นครับขอให้ท่านระวังสำรวจต่อไปดีละผมจะรอวังสำรวจต่อไปอันนี้ก็เป็นการบริสุทธิ์เป็การบริสุทธิ์ที่ตัวรูปอื่นที่เป็นสภาขบัตต้องอบัตเหมือนกันฉันอหารในราชการก็มาแสดงกับที่ตัวทั้งสองรูปนี้ได้ก็เป็นอันว่าบริสุทธิ์ทั้งหมดเลย แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการสําคัญผิดว่าควรแก่การนิยสแตงสภากาบัตรแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นการสําคัญผิดอย่างนี้ก็อย่าไปแสดงเพราะว่าถ้าแสดงแล้วก็จะกลายเป็นอารัชีก็จะมีโทษแป็ครบคณะสมาคมกับอรัชีก็จะมีโทษอีกถ้าพระสุรเหล่านั้นไม่ทําอย่างนี้แล้วทําอุโบโสถย่อมต้องอาบัตทุกกฎเพราะฉะนั้นพระสูรรูปใจอย่าเสียสละว่าผมจะขอแสดงสภากาบัดแล้วต้องอาบัตเองเดีย๋ยวจะแสดงคืนอันนี้ก็ ถ้าทำอย่างนั้นจิตปิจูรูปอื่นก็มาแสดงสภาวะบัตรได้เหมือนกันแต่ว่าภิจูสองรูปนี้รู้แล้วว่าไม่ควรแล้วยังไปขืนไปแสดงสภาวะบัตรก็เป็นอารัก c h ไปด้วยนะข้อความตรงนี้ว่าถ้าอปิจุเหล่านั้นไม่ทําอย่างนี้แล้วทําอุโบสถย่อมต้องอับัตทุกกดก็คือมีอาบัตแล้วฟังพระปาติโมกเหมียวปัททุกกดนะโวพัชณะอับัตรรอบเลย เหมือนกับว่าท่านบอกว่าน่าจะทําอย่างนี้แต่ความจริงนี้ไม่ใช่ต้องตั้งยัติแล้วก็แสดงว่าถ้ามีพิกสุที่ไม่มีสภาขบัติมาเมื่อไร่ก็จะผดแดงคืนอย่างนี้ก็พ้นจากอบัตนะไปฟังปฏิโมกได้ถ้าพิกสุเหล่านั้นไม่ทําอย่างนี้แล้วทําอุโบสถย่อมต้องอบัตทุกกฎที่บัญญัติไว้เพราะการทําอุโบสถแต่พิสุผู้มีอบัตติดตัวโดยในเป็นต้นว่าท่านพึงบอกปาริสุทธิกับท่านผู้มีอายุทั้งหลายดังนี้เป็นต้น คือผู้ใดหากมีบัตรผู้นั้นก็พึงแสดงอบัตรเสียถ้าบัตรไม่มีก็พึงนิ่งอยู่ก็เพราะเป็นผู้นิ่งข้าพเจ้าจะทราบทันายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นตามไม่บริสุทิ์ให้แสดงถ้าบริสุทธิ์ก็นิ่งดังนี้เป็นต้นก็ถ้าที่สุบรรพูบเมื่อกําลังสวดปาติโมกอยู่ระลึกอาบัตรได้ที่สุนั้นพึงบอกกับที่สุผู้อยู่ใกล้เคียงอย่างนี้ว่าอหังอาวุโสอิทัณนามังอาปติงอาปโนอิโตุททะหิตตวาตัง ปัตติงปัติกรสท่ามีแปลว่าอาวุโสข้าพเจ้าต้องอาบัตมีชื่อนี้ลุกจากที่นี้แล้วจักทําคืนอาบัต้ น, นพึงบอกพิจูผู้เป็นสภาคะากันเท่านั้นที่นั่งอยู่ใกล้เคียงคือพระพิจุที่ถูกกันเพราะว่าถ้าไปบอกกับพิจุผู้เป็นวิสภาค่ากันก็าอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวโิยสุบางครั้งก็ไม่ถูกกันก็มี จึงอยู่เมื่อบอกกับที่สุผู้เป็นวิสภาค่าการความบาดหมางความทะเลาะความแตกแยกแห่งสงเป็นต้นย่อมมีไนดะ้ที่สุกับอ้าอีท่านเป็นอาบัตินี่มะลงอุโบสถได้ยังไงกระชวนทะเลาะแล้วก็เกิดความแตกแยกได้ควรจะบอกกับที่สุผู้เป็นสภาฆ่ากันเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรบอกแก่เธอแต่พึงทําความผูกใจว่าเราลุกออกจากที่นี้แล้วจักทําคืนดังนี้แล้วลงอุโบสถเธอ เพราะฉะนั้นพอพระพิสูจนสวดไปสวดไปอ้าวนี่เราเป็นอบัติข้อนี้นี่แต่มองไปแล้วพิสูจที่อยู่ ร, บรอบๆเรานี่ก็เป็นวิสภาคะทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ตั้งใจอธิษฐานว่าเดี๋ยวเราลุกออกจากที่นี้แล้วค่อยแสดงอบัติคืนแล้วก็ฟังต่อไปอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดรู้แล้วอย่างนั่งนิ่งๆไม่แสดงอาการหรือไม่บอกแบบใครมีพิสูจนที่เป็นสภาคะอยู่แถวนั้นก็ไม่บอกอันนี้ต้องอบัติทุกกฎเพิ่มอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสัมปชานมุุสาาวาทกก บัตรทุกอดเพราะว่ากล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็คือไม่แสดงคืนไม่ได้กล่าวอะไรแต่เป็นทุกกดเพราะว่ารู้ว่าเป็นอบัติแล้วไม่ยอมทําคืนหรือไม่ยอมในการที่จะไปสิกิดหรือบอกกับเพื่อนว่าตนเองต้องอบัติถ้าเป็นการกล่าวมุสาว่าทั้งรู้ตัวนี้ต้องอบัติปฏิจตีเพราะว่าเป็นการกล่าวมาแต่ว่าอันนี้เป็นทุกอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้กล่าวแต่ไม่ยอมกล่าว สขาบนี้ก็เลยเป็นอากิริยามีการไม่ทำจึงต้องอาบัตถ้าทำแล้วไม่ต้องอาบัตก็ถ้าพิสูจบางรูปเมื่อกำลังส่วจปาฏิโมกข์อยู่มีความสงสัยในอาบัตถึงพิสูจนั้นก็ควรบอกพิสูนผู้อยู่ใกล้เคียงที่เป็นสภพานค้าการ น, นั่นแหลอย่างนี้ว่าอาห่างอาวโุโสอีท่านนามายาอาปัติยาเวมาติโกยาดานิเบมาติโกภวิตามิตากาัอาปติงปาติการิตามิ แปล ว, ว่าอาวุโสผมมีความสงสัยอาบัตในชื่อนี้เมื่อใดจากหมดความสงสัยกับทาคืนอาบัตนั้นเมื่อนั้นฉันกล่าวอย่างนี้แล้วพึงลงอุโบสถพึงฟังแต่ไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถเพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัยไม่ต้องลุกขึ้นท่ามกลางสงบอกว่าผมยังมีความสงสัยอยู่ครับผมขอแสดงความสงสัยไนต้องพูดอย่างนั้นนะนะแต่ว่าฟังไปก่อน ธกิจเพื่อนไว้เดี๋ยวผมจะแสดงความตรงใจเขาแล้วกันลุกออกจากที่นี้แล้วต่อไปทิกษุทรรมปุพกกรณสี่อย่างที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าสัมมัชณีปะดีโปจาอุตกัรอาสนนะจาอุปโปะตัตตะเอตานีปุพกกรรมนันติวุจติแปลว่ากิจตีอย่างนี้คือการปฏดกวาดโรงอุโบโสถหนึ่ง การตามประทีปก็คือจุดประทีปโคงไฟหนึ่งสมัยนี้ก็เปิดไฟไว้การตั้งน้าฉันน้ำใช้หนึ่งการปูอาสนะหนึ่งท่านกล่าวว่าเป็นปุปกรณ์แห่งอุโบสถ ด, ดังนี้ปุปกรณ์ก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะต้องกระทาก่อนสิ่งที่จะต้องกระทาก่อนก่อนที่จะมีการลงอุโบสถกันมีการเข้าไปในโรงโบสถก็จะต้องทำสิ่งนี้ก่อน เป็นความเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องมาคนวนฝ้ายมาจัดแจงที่หลังดังนั้นบุปกรณ์ก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องกระทําก่อนก่อนที่จะลงอุโบสถแล้วก็พึงทําอุโบสถเพราะมีพระบาลีกล่าวไว้ว่าดูกรพิสุทฆ์ทั้งหลายเรารุ่ยยให้กว่าลงอุโบสถ ด, ดังนี้เป็นต้นถามว่าก็ใครพึงเป็นคนทํากิจนั้นตอบว่าภิกษุที่ถูกพระเถระใช้ควรทําเพราะมีพระบาลีว่าดูกรพิสุทฆ์ทั้งหลาย เราอนุญาตให้พิกูุผู้เถระใช้พิกษุนวกะดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิสูตไม่อาพาดอันพระเถระใช้แล้วจะไม่กวาดไม่ได้พิกูตรูปใดไม่กวาดพิสูตรูป น, นั้นต้องอาบัตทุกกฎาพระพัติระเป็นผู้ที่ลดตัวก็คือเป็นผู้ที่ขยันไปทําที่เองเลยแต่ว่ า, าพระพัติระก็ยังมีจิจอื่นๆจะต้องสอนจะต้องแนะนำจะต้องห้ำอะไรมากมายก็ ใช้พระตรูปใดรูปหนึ่งให้ไปทําก็ได้ถ้าติกุรูปนั้นๆไม่มีเกียรตอื่นไม่ใช่เป็นพระพิกตุป่วยไขย้พระเถระใช้แล้วไม่ไปทําไม่ได้ต้องอบัปทุ ก, กฎทิสตุผู้เถระเมื่อจะสั่งไม่ควรสั่งทิกตุผู้กําลังทํากรรมบางอย่างก็ดีทิสตูผู้ช่วยภาระอย่างหนึ่งตลอดการทุกเมื่อทีเดียวก็ดีทิสตุผู้กล่าวสรพันยะเรียกว่าสรพานกะก็คือเป็นผู้กร่มสรพัญยะ และพระธรรมกถกเป็นต้นรูปใดรูปหนึ่งก็ดีเพื่อกวาดโรโบสถอย่าไปใช้พระมุจุเหล่านี้นะเพราะว่าท่านเหล่านี้มีกิ จ, จาการงานต่างๆที่ทําอยู่เป็นภาระของสงฆ์บ้างนะถือว่าเป็นภาระที่เป็นส่วนรวมว่าเป็นผู้ที่เป็นนักธรรมกถกเป็นผู้กลา่าสารพันยักต่างๆเหล่านี้ก็ให้เกียรติท่านนะนะแต่ถ้าท่านจะมาร่วมช่วยในการนธรรมก็เป็นความดีของท่านเอง ส่วนพิสูุที่เหลือพึงสั่งตามวาระหากว่าพิกูุผู้ได้รับคําสั่งแล้วจะไม่ได้ไม้กวาดแม้เป็นของยืมใส่พึงวานกับยยาการกหากกิ่งไม้ทําไม่ควรแล้วกวาดไม่กวาดไม่มีเลยก็ไปบอกคนวัดร่วมกับยยาการกให้ช่วยหากกิ่งไม้มาแล้วก็ทําเป็นไม้กวาดแล้วก็กวาดเสียเมื่อไม่ได้แม้กับิยาการกนั้นเป็นอันได้พออางก็คือไม่ต้องกวาดนะเดเอง แต่ทางนิตยีก็ต้องไปดูนะว่ามันมีอะไรโรคเรื้เรองหรือเปล่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วละพรไปกวา่ามีกันทุกวัดยา จ, จูงว่าถวายมันมีกันเหลือเฟือก็ต้องไปกวา่ทาทําความสะอาดแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ต้องไปเก็บพวกขยะที่มันชิ้นใหญ่ๆที่พอจะเก็บได้ก็ทำความสะอาดอะไรเลิดๆน้อยๆแล้วก็ปูเสือ่อแล้วก็นั่งตามอุโบสถไปได้ฝ่ายที่สู่ผู้รับคําสั่งเพื่อให้ปูอานะแล้ว ถ้าอาสนะในโรงอุโบสถไม่มีพึ่งขนมาจากสังทิกาวาะก็คืออาวาะของสงปูแล้วต้องขนไปคืนอีกถ้าไม่เอาไปคืนีจะ ม, มีโทษด้วยเอาเครื่องปูราชของสงมาปูไว้ในวิหารของสงมาหลีไปไม่เก็บก็ดีไม่ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีมีอาบัติปัจิตตีเมื่ออาสนะไม่มีจะปูเสื่อลำแพนก็ดีเสื่ออ่อนก็ดีย่อมควร ไม่มีอาสนะจะใช้เสื่อลาแพหรือว่าเสื่ออ่อนปูก็ได้อาบัติเรื่องเอศนาสนะนี้จะมีสองอย่างก็คือว่าสําหรับเตียงตั้งของสง์ที่ยกไปตั้งไว้กลางแจ้งมาหลีกไปไม่เก็บคดีไม่ให้เก็บก็ดีเลยอุปจาระวัดไปก็ต้องอาบัติปาิตีหรือว่าถ้าเป็นเครื่องลาดเครื่องลาดของสงจะเป็นเสื่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องลาดถ้าไปปูไว้ในวิหารของสงมาหลิกไปไม่เก็บก็ดีไม่ให้คนอื่นเก็บกคดีนี้ก็ต้อง อา บ, บัติปฏิตีเหมือนกันเป็นปฐมเสนาสนะกับทุติยเสยนาสนะสิขบทถึงเมื่อเสืออ่อนก็ไม่มีพึงวานกับปิยาการกให้หักกิ่งไม้ทําให้ควรแล้วปูราดเถิดไม่มีเสือไม่มีอะไรเลยเป็นวัดที่ยากจนมากอันก็จะต้องให้ก็หักกิ่งไม้เอาไปไม้มาแล้วก็มาปูราดไว้ก็ยังดีหน่อยพระพิกตรมีผ้านิสิตนะผ้าปูนั่งมาก็ามาทับใบไม้เหล่านั้นแล้วปั้นนั่ง มันก็จะได้มีเลอะเทอะเป็นการรักษาชีวรนรักษาผ้านิสิตคณะต่างๆด้วยนะเมื่อไม่ได้กับพิยกากรกรก็เป็นอันได้อ้ออ้าก็คือไม่มีอะไรจะปูแล้วก็เอาผ้าปูนั่งหรือว่านั่งยองๆก็ได้ก็เรียกว่านั่งกระโยคฟังก็ได้ส่วนทิสุผู้เทระเมื่อจะสั่งเพื่อให้ตามประทีพึงกล่าวว่าในที่ชื่อนูนน้ามันไสหรือตะเกียงมีอยู่ เธอจงถือเอาสิ่งนั้นนั้นมาตามประทีปหากน้ํามันเป็นต้นไม่มีสิกสุผู้รับคำสั่งต้องแสวงหามาเมื่อแสวงหามาไม่ได้เป็นอันได้คออ้ามทำอย่างไรอ่ะไม่มีน้ํามันส่วนปัิโมกมื ด, ม, ดมืดนี้ก็ไม่ได้มี อ, าา อ, อันตรายอ่ะนนั้สมัยก่อนนี้ก็ในสมัยยุคพุทธกาลจริงๆแล้วไม่ได้มีตัวหนังสือที่เอามาจดเป็นสมุดเล่มปัจจุบันแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็มีคนสวดแล้วก็มีคนทวนให้ถ้าผิดคนทวนก็จะบอกให้ ในอดีตก็ไม่ได้อาหนังสือมาเจดจารึกออะไรอย่างเงี้ยทรงจําได้วยปากกันเท่านั้นแหละดัง น, นั้นก็จะตรวจบึนมืดนี้ก็ไม่ได้มีอาบาัตอะไรแต่ว่าควรจะต้องตามระทียไว้เผื่อมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอมีแมลงป่องมีมดอะไรต่างๆนี้ก็จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อพท้าวทิศอีกอย่างหนึ่งจะพึงติดไฟให้พรองบนกระเบื้องก็ได้ทิศศุทํามบุปกิกแม้สี่อย่างภายหลังอุปกรณ์อุปกรณ์นี้หมายถึง สิ่งที่จะต้องทําก่อนที่คระพิจูตทัาไหายจะลงอุโบโสถกันส่วนบุปกิจเนี่ยหมายถึงกิจที่จะต้องทําก่อนสวดปาฏิโมกข์ก็คือก่อนที่จะสวดปาฏิโมกข์พระพิจูตประชุมกันแล้วเนี่ยต้องทํากิจเหล่านี้หรือยังไม่ประชุมกันก็นแล้วแต่ก็ต้องเตรียมกิจสิยางนี่คืออะไรบ้างบุปกิกสิยางต้องทําภายหลังบุปกรอนอย่างนี้ว่า ฉันดาปาริสุทธิอุตุคานังภิกขุคณะ น, นาจะโอวาโดอุปตธาตสาเอตานีปุปกิจจันติวจุจติแปลว่ากิจติอย่างเหล่านี้คือการนำฉันทะและปาริสุทธิมาการนำฉันทะหนึ่งการนำปาริสุทธิมาหนึ่งการบอเรดูหนึ่งแล้วก็การนับทิกษุดหนึ่งการสอนนางภิกษุณีหนึ่งถ้าเป็นของภิกษุณีก็การรับโอวาหนึ่ง ท่านกล่าวว่าเป็นปุพกิจของอุโบสถ ด, ดังนี้จิมอยู่ภิกษุไม่ทําบุพกิจแม้นี้แล้วไม่พึงทําอุโบสถต้องทําบุพกิจนี้ก่อนจึงสามารถที่จะทําอุโบสถได้อุโบสถกรรมของสงมีความช่างพร้อมถึงที่แล้วในการใดพึงทําอุโบสถในการนั้นเพราะมีพระบารีว่าถ้าความช่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงพึงทําอุโบสถ ชื่อว่าปัตตะกันละปัตตะกันละนี่แปละว่าความพร้อมขั้งถึงที่สงเคราะห์ด้วยองคศีปัตตะกันละนี่มีองคศีเพราะเหตุนั้นพระอัจฉริาจานยึงกล่าวไว้ว่าอุโปโสโทยาวติกาจะติคู่กรร ม, มปตาสาภะปาติโยจานาวิชนติวชัชนิยะจาะปุคลานตาสมิงนาหุนติปัตตะกัตลันติอุ จ, จติแปละว่า วันอุโบสถหนึ่งิกษูผู้เข้าทำกรรมครบจำนวนหนึ่งสภาคาบัดไม่มีหนึ่งบุคคลที่ควรเว้นไม่มีอยู่ในหัตถบาทหนึ่งองค์สี่เหล่านี้ท่านเรียกว่าปัตตะกันละก็คือความพร้อมทั้งถึงที่แล้วสำหรับบุพกิจติยานก็คือการนำฉันทะเราหมายถึงว่าจะต้องให้พระพิสุที่ไม่มารงอุโบสถบอกฉันทะมอบฉันทะให แล้วก็ถ้าให้ฉันทะต้องนําปริสุทธิ์มาด้วยปริสุดที่ไม่มารงอุโบสถจะป่วยก็ตามมาไม่ได้ก็ต้องให้ปาริสุดที่เพื่อจะทําอุโบสถของตอนเองแล้วก็ให้ฉันทะเพื่อจะเป็นการยินยอมให้สงฆ์ทำกรรมอย่างอื่นด้วยส่วนการบอกฤดูก็จะต้องบอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูอะไรเช่นนั้นแสดงว่าการบอกฤดูโดยในดังนี้ว่าโลกเท่านี้เหลือเท่านี้ชื่อว่าบอกฤดูก่นในศาสนานี้มีสามฤดู เพิ่มนาทแห่งฤดูหนาวฤดูรอ้อนฤดูฝนก็ฤดูนี้เป็นฤดูหนาวในฤดูหนาวนี้มีแปดอุโบสถอุโบสถอันหนึ่งถึงเมื่อตักอันนี้ล่วงแล้วสองอุโบสถจึงเหลือห้าอุโบสถนี้ชื่อว่าเป็นการบอกฤดูด้วยการอย่างนี้ส่วนการนับพิสูจน์ก็บอกอย่างนี้ว่าการนับพิสูจน์ดิในดังนี้ว่าพิสูจน์ถงหลายผู้ประชุมกันเพื่อประสงค์ทางอุโบสถในโรโบสถนี้เท่านี้รูปดังนี้ชื่อว่าการนับพิกูจน์ก็ในโรโบสถนี้มีพิสูจนประชุมกันยี่สิบรูป ท่านทั้งปวงพึงจำการนับพิจุด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการนับภิจุส่วนการสอนนามพิกษุณีนั้นไม่มีเพราะพวกพิษุณีนั้นในวรานี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่ต้องสอนเพราะว่าไม่มีภิกษุณีแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นปุพกิจห้ายอย่างตุพกิจทั้งห้าอย่างอุภกรสี่อย่างสรรพกิจห้ายอย่างรวมเป็นเก้าอย่าง บุกิจนี้ห้าอย่างก็คือการนำเสียนท้าข้อหนึ่งการนำป ร, ริสุทสองการบอรดูสามการนับสริศติสี่การสอนทิษณีห้าบุกิจห้าอย่างก่อนสี่บุกิจห้าส่วนปตา ก, กันละเนี่ยก็หมายถึงวันนั้นต้องเป็นวันอุโบสถซึ่งอุโบสถก็มีสามวันก็คือสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามหรือว่อาวันสามัคคีคือสงแตกกันแล้วก็สามารถรวมกันได้ก็ให้สวนอุโบสถในวันนั้นนั่นแหละ แต่ปกติแล้วทุกวันสิบสี่ข้ามสิบห้าข้าไม่ว่าข้างขึ้นหรือว่าข้างแรมดงนั้นเดือนหนึ่งก็จะมีสองปากจะมีสองปากมีข้างขึ้นปากหนึ่งข้างแรมปากหนึ่งจะเป็นสิบสี่ข้ามหรือสิบห้าข้าก็ตามอันนี้เป็นวันอุโบสถจะทําในวันหนึ่งข้ามหรือสิบสามข้ามไม่ได้แล้วก็พิกูด ท, ที่ทํำกรรมเนี่ยครบจํานวนก็คือตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจึงจะมีการสวปดปฏิโมกได้นะ ถ้ามีหย่อนบาสี่รูปหรือว่ามีสี่รูปแต่ว่าให้ฉันทามารูปหนึ่งแล้วก็มาสวดปฏิโมกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทำกรรมเป็นวักโดยธรรมคือมีสี่รูปมีสี่รูปต้องทําปฏิโมกข์สวดปฏิโมกแต่ว่าให้ฉันทาปริสุทธิ์มารูปหนึ่งไม่มาเข้าขัตบาทหรอกให้ฉันทาปริสุทธิ์มาแล้วก็ให้สวดปฏิโมกอันนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องดังั้นการที่พิจารณาจะเข้ากรรมครบจํานวนเนี่ยก็คือถ้าสามรูป ส่วนปฏิโมกไม่ได้แต่ว่าแสดงปริสุทธิตั้งยติได้ท้งสองรูปก็แสดงปริสุทธิไม่ต้องตั้งยติรูปเดียวก็อดิฐานจะได้าสี่รูปขึ้นไปจึงต้องสวรวจปฏิโมกแล้วก็สภาคาบัตไม่มีก็หมายถึงว่าพิสูจนี้ไม่ต้องอาบัตเหมือนกันเลยถ้าไม่มีสภาคาบัตจึงจะฟังปฏิโมกได้ทรงไม่ได้ต้องสภาคาบัตก็ทํปาปฏิโมกกันแล้วก็ไม่มีบุคคลที่ควรเว้นในเหตุบาปพวกอะไรบ้างพวกกระหัสถัดเดรชานที่มีการเป็นมนุษย์ พวกมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะบุคคลที่มีคนเว้นน่ะหรือว่าพวกที่ต้องบัตรตราชีพวกที่ทำอนันตริกรรมต่างๆเหน่านี้ให้อยู่ในหัตตาบาไม่ได้จะต้องมีเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นที่อยู่ในหัตตาบาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัตตะกันละเป็นความพร้อมทั้งถึงที่ในคาถานั้นคําว่าอุโบสถได้แก่อุโบสถวันใดวันหนึ่งในสามวันจึงอยู่เมื่อมีวันทั้งสามวันนั้นอุโบสถกรรมของสองนี้ชื่อว่าปัตตะกันละ เมื่อไม่มีวันทั้งสามวันนั้นไม่ชื่อว่าปฏักันละสามวันก็ได้แก่วันสิบสี่ค่ำวันหนึ่งสิบห้าค่ำวันหนึ่งหรือว่าวันสามคิบวันหนึ่งเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูกรพิฆสุทั้งหลายพิกสุไม่พึงทำอุโบสถในวันที่มิใช่วันอุโบสถดังนี้ข้อว่าพิกสุผู้เข้ากรรมครบจำนวนความว่าพิกษุมีประมาณเท่าไหร่ถึงคือควรคือสมควรแก่อุโบสถกรรมนั้น คือโดยกําหนดอย่างตามที่สุดที่สุดสี่รูปเป็นปกติตะหมายถึงไม่ต้องอบัตรประชิดด้วยนะแล้วก็ไม่ถูกสงยกวัดด้วยปกติตะนี่หมายถึงว่ายังเป็นพิกจุอยู่ปกติไม่ต้องอบัตรประชิดไม่ถูกสงยกวัดคือไม่ได้ถูกให้เลิกสมคบกันถ้ายกวัดนี่ก็หมายถึงว่าพิกจุนั้นเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดแล้วก็ไม่เห็นอาบาัตไม่ยอมเห็นอาบาัตถ้าเห็นอาบัตแล้วก็ไม่ยอมทำคืนอาบาัตไม่ยอมแสดงอาบาัตตัวนี้ก็ เป็นผู้ว่าย่าสอนยากด้วยไม่เชื่อฟังสงด้วยเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังก็สวดประกาศลงโทษเรียกว่าโอเคปริญญกรรมก็คือยกออกจากหมู่มาร่วมสัง ร, รมกันไม่ได้ฟังปาริโม่ก็ไม่ได้ด้วยให้เลิกคบไปเลยถ้าใครรู้ว่าทิกตันี้ถูกสงยกลงโอเคปริญญกรรมแล้วยังไปสมคบด้วยก็ท้องอวบตาจิตตีและที่ตัวเราใดไม่ละหัตถะอยู่ในสีมาเดียวกันก็คือเข้ามาอยู่ในหัตถะ ถ้าอยู่ในสีมาเดียวกันต้องมาเข้าหัตถบาศถ้าอยู่คนละสีมาอยู่นอกสีมาก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่ไปทํากรรมอยู่นอกสีมาก็ไม่ทําให้เสียกรรมจรึงอยู่เมื่อภิกษุสี่รูปเหล่านั้นไม่ละหัตถบาศดารงอยู่ในสีมาเดียวกันอุโบโสถกรรมของสองนั้นชื่อว่าปัตตะกันละถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่เป็นปัตตะกันละเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูบอร์ทิจูทั้งหลายเราอนุญาตให้ทิจูตสี่รูปสวดปาติโมกดังนี้ในข้อว่าสภาคาบัรไม่มีนี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้สงทั้งปวงต้องละหุ ก, กาบัรก็คืออาบัติเบาด้วยสภาคะวัตถุหมายถึงมีวัตถุเดียวกันเช่นวิการรับโภชนาเป็นต้นคือฉันอาหารในเวลาวิการทั้งหมดเลยไปสุตรงนี้ต่ออบับดฉันอาหารในเวลาวิการพร้อมกันหมดเลย ก็เรียกว่าเป็นสภาคาบัตวัตถุสภาคาบัตวัตถุเห็นปานนั้นเรียกว่าสภาคาบัตเมื่อสภาคาบัตเหล่านั้นไม่มีก็ตามและเมื่อสภาคาบัตมีอยู่ก็ตามถ้ามีต้องส่งพิกจุรูปหนึ่งไปเอาว่าที่ใกล้เพียงแล้วก็ให้แสดงอาบัตกลับมาแล้วรังสูรูปอื่นแสดงกับพระพิจุที่ส่งไปหรือว่าถ้ามีสภาคาบัตแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็ให้ ตรวจประกาศว่าสงทั้งหมดนี้ต้องอับัตที่เป็นสภาคาบัตเพราะฉะนั้นเมื่อมีพิสูจน์ที่ไม่มีสภาคาบัตมาจะได้แสดงอับัตกับพิสูจน์รูปนั้นอย่างนี้สามารถที่จะฟังปาฏิโมกได้ชื่อว่าเป็นปัตะกันละเหมือนกันข้อว่าบุคคลควรเว้นไม่มีอยู่ในหัตตาบามีเนื้อความดังต่อไปนี้ขรหัตชื่อว่าบุคคลควรเว้นเพราะพระบาลีว่าดูบัณฑิุทั้งหลายพิสูจนไม่ควรตรวจปาฏิโมกในหมู่คณะ ที่มีเครือข่าอยู่เตี้ยตุใดตวดที่สุสวสน้ำต้องอบัตทุกกดเพราะฉะนั้นไม่ควรให้ครหัส่าเข้าไปนั่งในหัตถบาลแต่ว่าถ้าครหัส่าจะนั่งฟังอยู่ห่างๆไม่เข้าไปอยู่ในหัตถบาลอันนี้ก็ไม่มีอาบัตอะไร mm. และบุคคลยี่สิทธ์าพวกนี้คือติกตุนีหนึ่งก็ให้เ ข, เข้าไปนั่งในหัตถบาลไม่ได้สิกขมานาหนึ่งสามเนรีหนึ่งหรือว่าสามเนรีหนึ่ง ที่สูผู้บอกลานติขาหนึ่งทีสูผู้ต้องอันติมาวัตถุ ก, ก็คือต้องบัตรประชิดไปแล้วหนึ่งทีสู่ผู้ถูกสงยกวัดเพราะไม่เห็นอาบัตหนึ่งทีสู่ผู้ถูกสงยกวัดเพราะไม่ทำคืนอาบัตหนึ่งทีสู่ผู้ถูกสงยกวัดเพราะไม่สลักคืนทิฏฐิอัลามกหนึ่งแล้วก็บันดาพวกกระเทยพวกนี้หนึ่งเยรสังวาสก็หมายถึงคนที่รักเพศรักเพศก็คือลักเพศลักสังวาสอะไรต่างๆเหล่านี้ ไม่ให้เข้าไปนั่งในหัฐฐตถบาททั้งนั้นเที่ยงตู่ผู้เข้ารีดเดรัถีหนึ่งก็เปลี่ยนศาสนาไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปนั่งในหัตถบัตรสัจระฉานก็หมายถึงสัจระฉ า, านที่มีกายเป็นมนุษย์อย่างหนึง่งแล้วก็บุคคลผู้ฆ่ามารดาหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าบิดาหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์หนึ่งบุคคลผู้ประทุษร้ายนางทิสตุณีหนึ่งแล้วก็บุคคลผู้ทําสังฆเพศหนึ่งผู้ทําพระโดยหติตธให้ห่อหนึ่ง อุปโตพยัญชนกหมายถึงคนสองเพศหนึ่งซึ่งตรัสไว้โดยในเป็นต้นว่าดูความพิศุททั้งหลายที่สูงไม่พึงสวดปาฏิโมกในบริตัทมีนางพิษุณีนั่งอยู่บุคคลยี่สิจำพวกดังกล่ามานี้ชื่อว่าบุคคลควรเว้นเขาเรียกวัชนียบุคคลเว้นวัชนียบุคคลเหล่านั้นเสีย โดยกันไว้ภายนอกคันธบานก็บอกว่าอ้าวยอมยอมออกไปนั่งนอกคันธบานว่านอกโบนั้นพิกตุณีก็ตามหรือว่าพวกสําเนินสาเนตรีก็ให้ออกไปนั่งนอกคันธบานนั้นก็ในวัชณียบุคคลเหล่านั้นเมื่อพิจตุพูดถูกสงยกวัดสามจะพวกมีอยู่สงทําอุโบสถต้องอบัตปาจิตตีไม่ให้สมคบเลยถ้ายังไปสมคบด้วยคือให้ลงอุโบสถ ด, ด้วย ไปฉันร่วมด้วยนอนร่วมด้วยนี่ต้องอบับตะตีตไม่ให้สมคบให้เลิกคบไปเลยไม่ยอมทําคืนอบัติแล้วก็ไม่ยอมสละคืนทิฏฐิชั่วรามกเมื่อมีวัชานิยบุคคลที่เหลืออยู่ทรงทําอุโบโสถเป็นอบับตะทุกกฎเพราะฉะนั้นในสิบเจดบุคคลที่เหลือเนี่ยถ้ามีอยู่ในหัตถบารแล้วยังโวดปาติโมกอยู่ก็อบับติทุกกฎแต่ถ้ามีสามบุคคลก็คือพวกที่ถูกยกวัด โอเคปฏิกรรมสามพวกนี้อยู่ในสีมาอยู่ในหัตถบาทถ้าส่วนปาริโมกในขณะนั้นก็ต้องบัดดาจิตตีก็พระผู้มีพระภาคเจา้าห้ามอุปสมบทแต่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าสัจจฐฉานในวัชนียบุ ค, คละคาถานี้เดรัจฉีทั้งหมดสงเคราะห์ด้วยกระหัสนั่นแลจึงอยู่แม้เดรัจฉีทั้งหลายเหล่านั้นก็จัดว่าเป็นวัชนียบุคคลเพราะฉะนั้นพวกเดรัถีนี้ก็ ไม่ให้เข้าในหัตถบาทรพึงสรามว่าปตัตตากันละสองเคราะห์ด้วยองค์สี่เหล่านี้ด้วยตาลนชนีอันหนึ่งปตัตตากันละนี้ทั้งหมดบัณฑิตพึงประกอบแสดงแม้ในปรวรณากรรมก็คือเหมือนกันเลยบุคคลทั้งยี่สิบบุคคลนี้ก็ห้ามไปอยู่ในหัตถบาทในเมื่อสองกำลังจะทาปวารณาต่อกันมอจำพรรษาแล้วพมิตรานปรนน า, าก็ห้ามบุคคลทั้งยี่สิบจำพวกนี้เข้าไปอยู่ในหัตถบาตร ทิสุผู้สวดปาฏิโมกควรพยายามสวดให้หมู่คณะได้ยินเพราะมีพระบาลีว่าดูการทิสุทั้งหลายทิสุผู้สวดปาติโมกจกแกล้งสวดไม่ให้ได้ยินไม่ได้รูปใดแกล้งสวดไม่ให้ได้ยินรูปนั้นต้องอา่านบททุกกฎดูการทิษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทิสุสวดปาฏิโมกพยายามทำในใจว่าทำอย่างไรหมู่คณะจึงจะได้ยินดังนี้ เมื่อพยายามอยู่หมู่คณะก็ไม่ได้ยินไม่เป็นอาบัติดังนี้แหลก็คือบางคนนั้นมีเสียงเบามากกระเบ็นแรงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งใจว่าจะสวดให้คณะได้ยินก็แล้วกันแต่ว่าสวดแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ยินพระวิจุตที่นั่งอยู่หลังๆมีพระวิจุทั้งห้าหกสิบรูปอย่างนี้นะนั่งกว้างออกไปทั้งกบสวดไปไปสวดนั่งองค์หลังๆก็ไม่ค่อยได้ยินยเมื่อตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้ได้ยินแต่ไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่มีอาบัต ในเวลาที่สวดปาติโมกข์ก็พยายามที่จะออกเสียงอักขระพันธกรให้ถูกต้องเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ดีงามของการใช้ภาษามคตซึ่งเป็นภาษาที่เป็นแบบแผนเรียกว่าปันติภาษาเป็นบาลีก็คือสร่งรักษาพระพุทธพจน์หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าเวลาที่ตรหรือว่าจะเป็นตรเรื่องของวินยัยเรื่องของพระสูตรเรื่องของพระบิธรรมต่างๆอักขระพันธกรของพระองค์นะั้นเป็นปกติธรรมดายอยู่แล้วอันนี้เป็นสัมเนียงของ ชนชาวมคตในอินเดียนั่นนะดนะังนั้นของเราคนไทยว่าอาจจะออกเสียงไม่เหมือนหรอกแต่ถ้าพยายามที่ออกเสียงให้ใกล้เคียงที่สุดนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแต่โดยเฉพาะก็จะต้องเรียนรู้ด้วยว่าอักขระประเภทไหนที่ ท, าทําให้กรมเสียทําให้กรคำไม่เสียเป็นพวกพนิษฐิถินหรือว่าเป็นพวกพรุระหุอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรทํากรรมให้เสียอะไรไม่ทำํำคำไม้เสียแล้วก็พยายามที่จะส่ให้ถูกต้องดีที่สุด อันนี้ก็เป็นการเอื้อเฟื้อต่อพระวินัยแล้วก็ทําให้ศาสนายั่งยืนจันรงต่อไปอยากยืนยาวนักขึ้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อในการนี้ศึกษาพระธรรมวินยัยยืดอายุของพระศาสนาก็ขอให้มีอายุยืนไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโดยเฉพาะโรคภายในขอให้ท่านทั้งหลายอบรมตรีสิกขาเพื่อละโรคคือกิเลสทั้งหลายแล้วก็ทําที่ตัวเองวัฏถุกได้ คำถามวิธฉใยเรื่องการอุโบสถปวารณาในบาลีมุตตะวิรนยะวิิจฉัยสังหาจบแล้วสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ